ยายมีลูก3คนคือลุงจักเป็นพี่คนโตป้าการคนกลางแล้วก็แม่เป็นคนสุดท้องซึ่งตอนนั้นนี่แม่กับป้าการยังเด็กอยู่อายุประมาณ 12-13 ปีส่วนลุงจักก็ประมาณ 15-16 ปีลุงจักเรียนจบแค่ปหกก็ไม่ได้เรียนต่อ สมัยนั้นโรงเรียนมัธยมจะอยู่ในตัวเมืองซึ่งไกลมากก็เลยไม่ได้เรียนต่อบวกกับลุงจักเนี่ยเป็นผู้ชายซึ่งเรียนจบป .6 ก็ออกมาช่วยยายทําไร่ทําสวนส่วนแม่กับป้าการเรียนอยู่ป .6 ถึงจะเป็นพี่น้องกันแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นโรงเรียนบ้านนอกเขาก็เลยไม่เน้นดูที่อายุใครเข้าก็เรียนได้เลยแม่กับป้าการก็เลยได้เรียนอยู่ที่ห้องเดียวกัน โรงเรียนที่ประการกับแม่เรียนนั้นก็จะตั้งอยู่ใกล้ๆ ก, กันกับทุ่งนาเป็นเพิงหลังคาสังกะสีไม่มีประตูไม่มีกำแพงมีแค่ผ้าบางกั้นไว้แต่ละห้องก็จะเป็นปห1งถึงปหกก็เรียนกันแบบนั้นแหละบางทีป1 1เนี่ยท่องกราถึงหอนกฮูกปอนี่ก็กำลังท่องสูตรคูนกันอยู่ก็ต้องมีเพี้ยนกันบ้างแหละอย่างเช่น2 12 2 24 2 3 6 2 4ส อ, องหอหอนกฮูกตาโตอะไรประมาณนี้นะคะ เวลาฝนตกก็เปียกเต็มๆแม่กับป้าการแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็ต้องเตรียมเสื้อผ้าไปอีกชุดหนึ่งเอาไว้เปลี่ยนเวลาเปียกฝนเวลาหมาบ้าแถวนั้นเนี่ยวิ่งไล่กัดทุกคนทั้งนักเรียนทั้งครูก็ต้องวิ่งหนีลัดทุ่งนาทะลุเข้าไปในหมู่บ้านแม่บอกว่าตอนนั้นลำบากมากแต่ก็สนุกเพราะว่ามันเป็นสีสันของบรร น, นอกตอนเช้าของทุกวัน ยายกับลุงจักก็ต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อหุงหาอาหารแล้วก็เข้าไร่เข้านาส่วนแม่กับป้าการก็ต้องตื่นไล่เลี่ยกันเพื่ออาบน้ำแล้วก็แต่งตัวไปโรงเรียนทางเดินไปโรงเรียนนี่เป็นถนนลูกรลังสีส้มเวลาเดินทีฝุ่นก็ลอยคุ้งนะเกาะเสื้อเกาะผ้าเปื้อนทุกวันสองข้างทางนี่ก็เป็นต้นไม้เรียงรายกันเป็นแถบๆส่วนมากจะเป็นต้นพุทซาแล้วก็ต้นกระถิน แม่บอกว่าเดินออกจากบ้านผ่านบ้านสามหลังแล้วก็จะต้องผ่านบ้านยายจินก่อนจะถึงโรงเรียนประจำทุกคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะยายจินคือใคร ยายจินนี่แกจะอายุ60สิบต้นๆค่ะแกคือเศรษฐีเก่าแห่งหมู่บ้านนี้คงไม่มีใครรู้จักแกแม้กระทั่งหมู่บ้านอื่นๆยายจินแกร่ารวยมากมีเงินทองมากมายเหลือกินเหลือใช้ไม่รู้ว่าแกไปรวยมาจากไหนทางที่สามีแกก็ทําไร่ทํานาเหมือนชาวบ้านคนอื่นๆทั่วไปบ้านแกก็เป็นบ้านไม้ยกสูงที่มีใต้ถุนเน่ยเรียกไม่ถูกนะคะใต้ถุนบ้านแกก็จะเลี้ยงเป็ดแล้วก็เลี้ยงไก่ไว้หลายสิบตัวอยู่รวมกันรอบบ้านแกก็จะปลูกผักลูก ผลไม้เต็มไปหมดสามีแกชื่อตาสาสามีแกเป็นคนใจดีมีน้ำใจ ตาสาจะบอกกับทุกคนในหมู่บ้านว่าพืชผักผลไม้ที่บ้านแกสามารถหยิบไปได้เลยนะไม่ต้องขอเวลามีของเล็กๆน้อยๆตาสาก็มักจะเอามาแบ่งคนในหมู่บ้านรวมถึงคุณยายด้วยนะคะตาสานี่ก็จะเป็นคนใจกว้างมีสัมพันธ์ธมิตรที่ดีซึ่งต่างกับยายจินมากค่ะเพราะว่าแกเป็นคนดุแล้วก็ห่วงของเวลาตาสาไปทําไร่ทําสวนแกมักจะนั่งอยู่ที่เตียงใต้ถุนบ้านนั่งเฝ้ามองดูค่ะว่าจะมีใครมาเด็ดเอาพืช ผ, ผักของแกไปหรือเปล่าหรือไม่ ป้าการแกเคยไปเด็ดน้อยหนามากินแกก็โดนเยจีนเนี่ยตะวาดร้องไห้กลับมาทุกทีแต่เวลาที่ตาสายอยู่บ้านป้าการกับแม่แล้วก็เด็กๆ ก, ก็มักจะได้กินผลไม้อยู่บ่อยๆเพราะว่าเยจีนแกไม่กล้าไล่คนต่อหน้าผัวแกคะ่ะ แต่ว่าต่อมาไม่นานตาสาล้มป่วยและจากไปในที่สุดเยจินเสียใจอย่างหนักคร่ำครวญหาสามีทุกวันตั้งแต่เช้าจนเย็นชาวบ้านก็มาเยี่ยมแต่ก็ต้องโดนไล่กลับทุกทีหลังจากนั้นไม่กี่เดือนค่ะเยจินก็เริ่มเก็บตัวพืชผักที่ตาสาเคยปลูกเคยดูแลเยจินก็ไม่ค่อยมาดูแลหญ้าก็ขึ้นรกปล่อยให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ การงานแกก็ไม่ทำที่นาก็ขายให้คนอื่นแกก็คงคิดว่าเงินที่แกมีเนี่ยมันคงไม่มีวันหมดแกก็เลยไม่ทำงานเป็ดไก่ที่เคยเลี้ยงแกก็ขายไว้อ่าให้ชาวบ้านเอาไปกินกันเงินที่มีก็พอใช้ไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีวันหมดค่ะเพราะว่าแกก็มีแต่จ่ายกับจ่ายไม่มีรายรับเข้ามาเลยสร้อยทองกำไรทองต่างๆแกก็เอาไปขายเกือบหมด แต่ว่าบางชิ้นก็ไปฝังเก็บไว้ไม่เอามาใช้อันนี้เนี่ยจะเป็นยายฟังมาจากปากของชาวบ้านอีกทีหนึ่งนะคะจากเศรษฐีนี้ค่ะก็กลายเป็นชาวบ้านธรรมดาเพียงชั่วพริบตา จากบ้านไม้เลื่อมๆสวยๆก็เป็นซากไม้ไปเพราะว่าบ้านก็ต้องเสื่อมทรมไปตามกาลเวลาเพราะว่าแกเนี่ยไม่ดูแลเลยนะคะแต่ว่าตอนที่ตาสาอยู่เวลาอ่าไม้ตรงไหนผุหรือว่าเริ่มเก่าวแก่ก็มักจะเข้าเมืองไปซื้อกระดานไม้มาเปลี่ยนอยู่บ่อยๆเรียกว่าใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยพักหลังๆนี่ไม่ค่อยมีใครเห็นยายจินเท่าไหร่จะเห็นก็แค่ตอนเย็นใกล้มืดแกก็จะลงบันไดามาเดินรอบบ้านแล้วก็ขึ้นบ้านไปแค่นั้น ตัดม า, าหลังจากนั้นไม่นานนะคะยายจินก็ล้มป่วยเจ็บออดแอดแแกก็ตัวคนเดียวนะคะไม่มีลูกมีหลานชาวบ้านสงสารก็เอาข้าวเอาน้ําไปให้แต่ก็โดนแกสาดทิ้งเททิ้งตรงนั้นแหละบนบ้านนั่นแหละนะคะจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับแกบ่อยนักเพราะรู้นะคะว่าถ้าจะต้องไปเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรแต่ว่ายายก็เคยไปเยี่ยมแกเหมือนกันนะยายขึ้นไปหาแกที่กําลังนอนสมอยู่ยังไม่ทันที่ยายจะถามอาการแกก็บอกว่า กูบอกว่าอย่าขึ้นมาบนบ้านกูกูเกลียดคนชอบเสือกออกไปซะกูจำหน้าพวกมึงได้หมดถ้ากูตายไปกูจะหักคอพวกมึงทีละคนทีละคนเลยแล้วแกก็โวยวายให้ยายลงไปยายก็เลยยอมลงจากบ้านค่ะแล้วก็เดินออกมายายจินป่วยได้ไม่นานแกก็จากไปค่ะเนื่องจากว่ายายจินเนี่ยไม่มีลูกหลานที่ไหนเรื่องศพยายก็ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าเขาจัดการกันยังไงแต่ว่ายายบอกแค่ว่าเขาไม่เผาแต่เขาเอาไปฝังไว้หลังบ้านของแกนั่นแหละ ทีนี้ถามว่าเฮี้ยนไหมจะเหลือเลยฮะคุณผู้ฟังหลอกตั้งแต่หน้าหมู่บ้านยันท้ายหมู่บ้านค่ะเห็นเป็นเหมือนคนแต่ว่าเป็นเงาลางๆดๆําๆเดินอยู่บนบ้านบ้างละ่ะตอนเย็นๆเพลโล่เพลงก็เห็นแกมาเดินรอบบ้านเหมือนเมื่อก่อนบ้างแหละหนักสุดก็คงเห็นแกยือนอยู่หน้าบ้านของแกพอรเราเพ่งมองแกก็มองกลับทําท่าแลบลิ้นปลิ้ น, นตาใส่แต่ไม่ถึงกับควักไส้ควักพุงเหมือนในหนังนะคะแกแค่สยะยิ้มใส่แล้วก็แลบลิ้นยาวเฟือยเลย ใครที่บอกว่าผีเนี่ยมันหลอกแค่ตอนกลางคืนไม่จริงค่ะยายขอเถียงเลยแกหลอกทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่รู้จักเน็ดเหนื่อยแต่ว่าแปลกนะตาสาแกไปแล้วไปเลย ไม่มีมาเข้าฝันหรือว่ามีคนได้ยินเรื่องเข้าหูวัตสาเหียนแต่ว่าายจินเนี่ยกลับไม่เป็นเหมือนกันกับสามีค่ะหลอกชนิดที่ว่าจับไข้หัวโกรนเลยก็มีแกก็คงจะหวงสมบัติแกเนาะก็เลยยังไม่ไปไหนคอยเฝ้าสมบัติเฝ้าพืชผักผลไม้ของแกตอนเป็นคนยังหวงขนาดนั้นทั้งด่าทั้งแช่งสารพัดแล้วตอนตายจะขนาดไหน นี่คือที่มาของเรื่องที่ว่าเราพูดถึงว่าบ้านยายจินทําไมนะคะเพราะเหตุนี้ค่ะเวลาที่แม่หรือว่าป้าการเดินผ่านบ้านแกเนี่ยก็มักจะกลัวแถมต้องไปโรงเรียนแต่เชา้ hmm. enfin ชามืดก็ต้องผ่านบ้านแกประจําแม่บอกว่าเดินผ่านที่ไรก็อดชำเลืองมองไม่ได้ก็ไม่รู้ทําไมมีอยู่วันหนึ่งตอนเช้ามืดค่ะแม่กับป้าการเนี่ยเดินไปโรงเรียนตามปกติเหมือนทุกวันพอถึงบ้านยายจินเนี่ยป้าการก็หยุดเดินแล้วก็มองไปที่บ้านยายจินแล้วก็พูดกับแม่ว่าถ้าเกิดมีใครอยู่บนบ้านล่ะ แม่ก็หันควับไปมองป้าการทันทีพร้อมกับพูดบอกอย่าพูดไปสิผู้ใหญ่เขาห้ามแต่ยังไม่ทันที่ป้าการหรือว่าแม่จะก้าวเท้าเดินต่อเนีคะเสียงก็ดังแกรกกรอบนะคะเหมือนคนหักกิ่งไม้แม่กับป้าการก็มองไปตามเสียงนั้นค่ะเพราะว่าเสียงนั้นเนี่ยมันอยู่ในรั้วบ้านของยายจินมองเข้าไปก็ไม่เห็นมีใครค่ะแต่ว่าเสียงหักกิ่งไม้ยังคงดังอยู่เหมือนเดิมนะพักหนึ่งค่ะเสียงมันก็เงียบไปแล้วอยู่ๆก็มีคนเสียงตะโกนเสียงดังว่าเฮ้ นะคะทุกคนทำเสียงแบบนี้ดังค่ะจะรู้ว่ามันหลอนจริงๆลองทำดูนะคะพอได้ยินเสียงแค่นั้นแหละแม่กับประการนี่วิ่งกันตับแลบเลยไม่ได้วิ่งมุ่งหน้าไปโรงเรียนนะแต่ว่าวิ่งอยู่เทิร์นกลับค่ะกลับไปที่บ้านแต่ยังไม่ทันรู้หรอกค ะ, ะว่าเสียงเนี่ยมันคือเสียงอะไรแต่ถ้ามันอยู่ในบ้านของเยจินแล้วล่ะก็ต้องไม่ใช่คนแน่ๆเพราะว่าคนที่ไหนเขาจะเข้าไปในบ้านของคนตายที่มีศพอยู่หลังบ้านแบบนั้น แม่กับป้าการเล่าเรื่องนี้ให้ยายกับลุงจักฟังก็พาให้ลุงจักกลัวไปอีกคนนึงยายก็ได้แต่ปลอบลูกว่าคิดไปเองผีมันไม่มีจริงแต่ว่ายายเองก็แอบคิดไม่ได้นะว่าต้องเป็นยายจินแน่ๆ แม่กับป้ากานก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนอยู่เป็นอาทิตย์เลยล่ะค่ะพอไปได้ก็ต้องให้ยายเดินไปส่งเป็นประจำนี่ก็เป็นเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆที่เกิดขึ้นกับแม่แล้วก็ป้านะคะชาวบ้านบางคนนี่ไปลบหลู่แกนะโดนหนักกว่านี้ถึงขั้นหักคอกันเลยทีเดียวจะว่าหักก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่าแค่โดนบิดแล้วทาให้หันคอกลับไม่ได้แค่นั้นเองนะคะพอขอโทษขอโพยแกชาวบ้านคนนั้นก็หายเป็นปกติมันไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็คงจะช็อกตาย เป็นแน่แท้ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องผีสาวที่ห้องน้ําปั๊มค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่สาวซึ่งเป็นญาติเขาเล่าให้ฟังเหมือนกันขอแทนว่าพี่เบลละกันแม่ของพี่เบลนี่ทํางานอยู่ที่สมุทรปราการนะคะชื่อประจิบ ป, ประจิบทํางานเป็นเสมียนในปั๊มแห่งหนึ่งในช่วงปิดเทอมเนี่ยประจิบก็รับพี่เบลไปอยู่ด้วยห้องที่ประจิบอาศัยอยู่เป็นห้องพักภายในปัม๊มเป็นห้องแถวสองชั้น ป้าจิ๊บอยู่ชั้นสองอยู่ฟรีไม่เสียค่าน้ําค่าไฟเพราะว่าเป็นห้องพักคนงานแต่ว่ามันก็ไม่ได้โชคดีไปซะหมดนะคะเพราะว่าห้องน้ํานี่เป็นห้องน้ํารวมค่ะห้องอาบน้ํา2ห้องส้วม2แถมห้องน้ําแต่ละห้องเนี่ยนะวูยมีตุ๊กแก่เจ้าที่ซะด้วยบางวันน้ําก็ไม่ไหลเนะะี่ยค่ะแต่ว่าป้าจิ๊บก็ทนอยู่มาห้าปีแกก็คงจะชินแล้วค่ะ วันนั้นประจิ๊บให้พี่เบลขึ้นรถมาเองจากจังหวัดกาญจนบุรีมุ่งหน้าไปยังจังหวัดสมุทรปราการพี่เบลบอกว่าต้องขึ้นรถสายไหนเพราะว่านางเคยมาแล้วนางรู้นางเล่า ว, ว่าพอถึงห้องก็ปกติเหมือนทุกครั้งที่เคยมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ใช้ชีวิตปกติพี่เบลอยู่ได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆค่ะก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยปราจิบ๊บที่ทางาน ทำงานอยู่นะโทรชวนพี่เบลให้ลงมานั่งข้างล่างเนี่ยมานั่งเล่นมาเปิดหูเปิดตาเพราะว่าอยู่แต่ในห้องมันน่าเบื่อประจิปททำงานในห้องแอร์เป็นออฟฟิศของปั๊มนะคะพี่เบลก็ลงมานั่งเล่นที่ศาลาติดๆกันกับออฟฟิศที่ประจิปททำงานนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนางก็เดินไปเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่ตรงท่ามกันกับศาลาอยู่ใกล้ๆกันกับซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นห้องน้ำสาหรับให้บริการคนที่มาเติมน้ำมันรถที่มาเติมน้ำมันก็เยอะค่ะคนเข้าห้องน้ำก็เยอะเหมือนกันนะคะคนเดินเพ่นผ่านหน้าห้องน้ำก็เยอะเป็นปกติอยู่แล้ว ห้องน้ำผู้หญิงคนเข้าเยอะจนต้องต่อแถวเลยพี่เบลก็เลยบอกให้รอให้คนเข้าหมดก่อนพอคนเริ่มน้อยก็เหลือประมาณ 4-5 ห้าคนพี่เบลก็เลยเดินเข้าห้องน้ำห้องที่สองนับจากข้างในคนอื่นก็เข้าปกติตอนนี้ไม่มีคนต่อแล้วต่างคนก็ต่างเข้าห้องใครห้องมันนางก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆจนเพลินเนี่ยนะคะสักพักหนึ่งพี่เบลได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาก็คิดว่าเป็นคนที่มาเข้าห้องน้าปกติค่ะ เสียงเคาะห้องน้ําดังก็ก๊อกก๊นะคะเป็นเสียงคนเคาะประตูห้องที่พี่เบลเข้าอยู่2ครั้งนางก็คิดในใจไอ้ห้องอื่นก็ว่างทำไมไม่เข้าจะเคาะทําไมเพราะตั้งแต่พี่เบลมาเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ยังไม่ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาอีกเลยนะคะแต่ว่าเสียงของคนที่เข้ามาพร้อมพี่เบลเดินออกไปแค่นั้นเสียงก็ดังขึ้นอีก2ทีค่ะพี่เบลก็เลยบอกมีคนอยู่ค่ะทุกอย่างก็เงียบไม่มีเสียงใครทีนี้ก็มีเสียงเคาะขึ้นอีกรอบหนึ่งค่ะพร้อมกับ เท้าคนยืนอยู่หน้าห้องทีแรกนางบอกไม่เห็นเท้าไกลนะเพิ่งจะเห็นครั้งที่3านี่แหละเป็นรองเท้าแตะสีส้มธรรมดาทั่วไปที่เห็นเพราะว่าช่องประตูข้างล่างมันไม่ติดพื้นคือห้องน้ําปั๊มเนี่มันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเกือบทุกที่นะคะตอนที่เสียงเคาะครั้งที่3ดังขึ้นพี่เบลก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปกะจะไปปล่อยให้เคาะแบบนั้นไปเรื่อยๆเพราะคิดว่าคนทางนอกคือกวนกวนก ว, ว, วนบาทาคนอื่นเขาเล่นเห็นนะคะทีนี้เนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงยืนอยู่ค่ะ พี่เบลก็จ้องเท้านางตลอดสักพักพี่เบลเห็นว่าเท้าของนางถอยออกจากหน้าห้องน้าและได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงคนนั้นเดินไปเข้าอีกห้องหนึ่งข้างๆห้องพี่เบลเสียงปิดประตูห้องข้างๆดังปังเลยนะคะห้องน้ำเนี่ยมันจะกล้องอยู่แล้วเนาะมันก็เลยทําให้ดังขึ้นไปอีกพี่เบลก็ส ะ, สะดุ้งเล็กน้อยคิดในใจเขาคงโมโหที่กูไม่เปิดประตูออกไปปะวะ นางก็ได้แค่คิดแค่นั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรต่อพี่เบลทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก็ใส่กันเกงกดชักโครกอะไรเรียบร้อยแทนที่นางจะออกมาแต่ว่านางกลับยังคงนั่งเล่นเฟซต่อค่ะสักพักเสียงกดชักโครกของห้องข้างๆก็ดังขึ้นแล้วก็เงียบไปแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงคนเปิดประตูออกมานะกลับมีแต่ความเงียบค่ะแล้วอยู่ พี่เบลก็เหลือบมองเห็นเท้าผู้หญิงคนเดิมที่อยู่ในห้องน้ำข้างๆนางบอกนางจํารองเท้าได้เขายืนสอดเท้าอาทางช่องทางล่างเนี่ยหันเข้ามาในห้องพี่เบลพี่เบลบอกว่าตอนนั้นคืองงมากนางทําอะไรของนางแต่ว่ายังไม่ทันจะพูดหรือว่าถามอะไรต่อนะคะก็ได้ยินเสียงดังแครกแครกเสียงคนไอจากห้องนั้นแหละค่ะแต่ว่าเสียงมันดังจากช่องข้างบนนางก็เลยเงยหน้าขึ้นดูสิ่งที่เห็นคือ คนผู้หญิงคนหนึ่งกำลังมองพี่เบลจากช่องกั้นข้างบนค่ะเอามือสองข้างเกาะกำแพงห้องน้ำไว้โผล่มาแค่ครึ่งหัวคือโผล่มาแค่ตากับจมูกเท่านั้นสายตาเฉยเมยดูเย็นชาแต่ว่าซ่อนไ ป, อไปด้วยความหลอนนะคะกำลังมองพี่เบลตาไม่กระพริบเลยแม้แต่น้อย ก็เหมือนคนแอบดูปกติทั่วไปนั่นแหละแต่มันไม่ปกติคือเท้าของนางสอดอยู่ด้านล่างแต่หัวของนางอยู่ข้างบนคือคนอะไรมันจะสูงคอยาวขนาดนั้นถามว่าตอนนั้นพี่เบลเป็นยังไงนางบอกอ้าปักค้างค่ะมันร้องไม่ออกขยับตัวไม่ได้คือตอนนั้นทางที่เบลแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็กำลังจ้องตากันอยู่ต่างคนต่างไม่กระพริบตาสักพักก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคุยกันเดินเข้ามาในห้องน้า พี่เบลตั้งสติได้ก็ลุกพวดขึ้นเลยค่ะไม่กรีดไม่โวยวายไม่สติแตกอะไรทั้งนั้นนางบอกนางก็อยากจะกรีดอยู่หรอกแต่ว่านางกรีดไม่ออกได้แต่ลุกพรวดเปิดประตูวิ่งออกมาพี่เบลบอกว่าถึงจะกลัวแต่ก็ยังหันไปดูผู้หญิงคนนั้นนะแต่ว่าไม่เห็นมีใครยอยู่ในห้องนั้นแม้แต่คนเดียวนางบอกเราว่าตอนที่กูกําลังจะเปิดประตูเนี่ยกูกําลังมองอยู่เลยทําไมพอเปิดประตูแล้วก็หันไปมองอีกทีนึงคือมันไม่เห็น พี่เบลก็เล่าต่อว่านางออกมาแล้วก็หันไปดูว่าไม่มีใครนางก็วิ่งออกไปดูข้างนอกก็ไม่เห็นผู้หญิงในลักษณะที่นางเห็นในห้องน้ําแล้วนางก็วิ่งเข้าห้องน้ําอีกรอบก็เห็นแต่ผู้หญิงสองคนที่เดินคุยกันเข้ามาในห้องน้ําตอนแรกกําลังส่องกระจกเสริมสวยกันอยู่พร้อมกับมองพี่เบลอย่างงงๆพี่เบลก็เลยเดินไปล้างมือแล้วก็หันไปมองห้องน้ําอีกรอบก็ Likewise, <Pip? S 2> <SAS. S 1> ไม่เห็นอะไรก็เลยเดินออกมาหลังจากนั้นนะคะนางก็ไม่กล้าเข้าห้องน้ําปั๊มที่ไหนอีกเลยไม่ว่าจะใหม่หรือว่าจะเก่า ก็ไม่เข้าทนเอาถึงจะเข้าก็ต้องแบบเข้าแบบแบบมีเพื่อนนะะอย่างน้อยก็ต้อง1คนคือเรื่องนี้พี่เบลบอกป้าจิ๊บแล้วแต่ว่าป้าจิ๊บไม่เชื่อคิดว่าพี่เบลโกโหกนะคะ ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของปอบขโมยกินไก่คุณผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณย่าค่ะตอนที่คุณย่ายังเป็นวัยรุ่นนะคะในสมัยนั้นอายุประมาณ 19-20 ปีนะคะโดยคุณแม่ของยา่ามีลูกทั้งหมด8ค น, นะคะ่ะเป็นผู้ชาย3คนผู้หญิง5คนย่าคือคนที่7แล้วก็คนที่8เป็นคนสุดท้องที่ชื่อว่าย่ทิมนะคะย่ทุมกับย่ทิมเนี่ยมักจะติดตัวกันต่อตัวติดกันตลอดเวลาไปเที่ยวไหนก็มักจะไปด้วยกัน อาจจะเป็นเพราะว่านอนห้องเดียวกันตั้งแต่เด็กแล้วมั้งเพราะว่ า, าการนอนห้องเดียวกันนี่อาจจะทำให้สนิทกันมากกว่าพี่คนอื่นนะคะบ้านของคุณย่าเป็นบ้านไม้มีใต้ถุนค่ะ แล้วก็มีทางเชื่อมไปบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นห้องครัวมีอยู่เย็นวันหนึ่งค่ะขณะที่ย่าทุมกับย่าทิมเนี่ยนอนเล่นกันอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านของบ้านหลังแรกก็คือคนอื่นออกไปทํางานกันหมดนะคะสักพักหนึ่งย่าทิมก็เดินไปห้องครัวเพื่อจะไปทํากับข้าวส่วนย่าทุมเนี่ยกําลังเดินตามไปที่หลังอยู่ๆก็ได้ยินเสียงย่าทิมร้องโวยวายค่ะย่าทิมร้องบอกวไอ้ยผีปอบช่วยกูด้วยยังไม่ทันที่ย่าทุมจะวิ่งเข้าไปในครัวค่ะเสียงดังตุ๊บ คนกระโดดลงจากกระเบียงของบ้านหลังที่สองคือกระโดดมาจากหน้าต่างในครัวนะคะเป็นผู้หญิงแก่อายุประมาณ70เห็นจะได้กระโดดลงจากที่สูงแบบนั้นแล้วก็หันมามองแย่ทุมที่ยืนอึ้งอยู่เสียยิ้มให้ย่าแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งหนีไปแย่ทุมพอตั้งสติได้ค่ะก็วิ่งไปหาน้องที่นั่งร้องไห้อยู่ในครัวย่ทุมก็ถามไปบอกมึงเป็นอะไรอ้ทิมมึงเป็นอะไรย่ทิมก็ตอบผีผีปอบมันนั่งกินตับไก่ ย่าถุ่มก็มองไปตามนิ้วที่ย่าทิมชี้มันคือไก่ที่ย่าทุ่มเชือ้อเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้ยังไม่ได้ถอนขนเนี่คะแล้วก็ยังไม่ได้ต้มด้วยแค่วางไว้เฉยๆมีแค่รอยปาดคอแค่นั้นเองแต่ว่าตอนนี้มันกลับถูกฉีกเป็นชิ้นๆค่ะคอที่ยังติดอยู่กับตัวทีแรกเนี่ยตอนนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้เลือดไก่ที่ย่าใส่ไว้ในถ้วยถูกซดเกลี้ยงเลยเนี่คะไม่มีเหลือ ยท่ทิมเล่าว่าตอนเดินเข้ามาเห็นใครไม่รู้นั่งยองๆอยู่ก็คิดว่ า, าเป็นพี่ๆที่กลับมาจากการทำงานก็เลยเรียกชื่อไปแต่เขากลับไม่หันค่ะเรียกจนครบทุกชื่อก็ไม่หันสักคนจนยท่ทิมเอ่ยถามขึ้นบอกไผว่าอะไรประมาณนี้เนี่คะผู้หญิงแก่คนนั้นหันขวับมามามองย่ทิมมือที่ถือไก่แล้วก็ปากที่เปื้อนเลือดสีแดงไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันคือ ผีอะไรนะะีคะพอเห็นแบบนั้นย่ทิมก็กรีดแล้วก็โวยวายค่ะแต่เหมือนหญิงแก่คนนั้นจะตกใจรีบคว้างไก่ทิ้งแล้วก็ปีนหน้าต่างกระโดดลงมาสิงดังตุ๊บเลยนะะีคะจากนั้นก็คือเหตุการณ์ที่ย่ทุมเห็นสองพี่น้องนั่งกอดกันกลมค่ะร้องไห้เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นผีมาก่อนวันนั้นทั้งวันค่ะสองคนพี่น้องนี้ไข้ขึ้นกันเลยทีเดียวแม่ของย่าก็เลยหายามาต้มให้กินแล้วก็ให้จิบทีละนิดส่วนพี่ชายคนโตของบ้านที่มีวิชาอยู่พอตัวก็ทำเข้า สารเสกแล้วก็เอาไปหวานรอบบ้านหลังจากนั้นเนี่ยคะ่ะาทูมกับย่าทีมก็ไม่กล้าที่จะอยู่บ้านกันตามลาพังอีกเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีของเราด้วยนะคะวันนี้ผิดพลาดการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยติดตามคลิปต่อไปได้ใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ